คุณผู้ฟังคะคงไม่มีใครที่พบเห็นเรื่องราวของป่ามากไปกว่าพระธุดงกรรมฐานนะคะเพราะว่าท่านเหล่านี้อาศัยป่าเพื่อหาความสงบเงียบเพื่อเจริญภาวนาธรรมไปเรื่อยๆคะ่ะจากป่านั้นสู่ป่านี้หรือจากเทือกเขาลูกนั้นสู่เทือกเขาลูกนี้ กลางวันมีป่าแล้วก็สัตว์ป่าให้เจริญตาเจริญใจกลางคืนก็จะแปลสภาพจากผืนป่าเป็นผืนผ้าสีดำครอบคลุมโค้งฟ้าและในเวลานี้นี่เองค่ะความเร้นลับของป่าก็จะแฝงตัวออกมาเองแล้วก็ปรากฏความมืดเพราะว่าเป็นเวลาของเขาที่จะสำแดงตนให้ผู้มาเยือนรู้ถึงอิทธิพลของเขาในยามนี้ก็จะมีเสียงแปลกสะท้อนมาแต่ไกลบนเทือเขา คนที่ไม่เคยเดินป่าแล้วก็นอนค้างในป่าดงพงพายคงจะไม่เคยได้ยินเสียงสะท้อนแบบนี้นะคะคนเดินป่าจะเรียกเสียงนี้ว่าเป็นเสียงของป่าค่ะซึ่งมันน่ากลัวและก็น่าขนลุกบางครั้งก็เหมือนเสียงคนซุบซิบคุยกันแววมาจากไกลพระกรรมฐานหลายตหลายรูปนะคะท่านได้จาริกทุดงข่ามเขตไปยังประเทศอื่นๆไม่ว่าจะเป็นประเทศลาวพมา่าคมร บางรูปนะคะถึงขนาดบินลัดไปหาความสงบที่แปลกใหม่ในแดนไกลอย่างประเทศเนปาลแบบนี้เป็นต้นท่านเหล่านี้นะคะยอมได้เห็นอะไรที่พวกเราชาวบ้านชาวเมืองไม่เคยได้เห็นเฉพาะเรื่องของพูดผีวิญญาณเหล่าอ่อเท่านั้นนะคะสัตว์ป่าทั้งที่เป็นมิตรและก็เป็นอันตรายท่านก็เจอมาแล้ว สิ่งเหล่านี้ได้หล่อล้อมจิตใจของท่านให้มีความแข็งแกร่งทนต่อสภาวะการต่างๆที่เกิดขึ้นทั้งกลางวันแล้วก็กลางคืนค่ะ ทุกย่างก้าวของพระป่ากรรมาฐานนะคะเต็มไปด้วยธรรมะที่ท่านทั้งหลายเหล่านี้จะต้องค้นหาให้พบแล้วก็ศึกษาแบบท่องแท้ดังนั้นการได้พบเห็นนะคะสิ่งที่เกิดขึ้นจึงอยู่ในเส้นทางที่ไม่อาจจะหลีกเลี่ยงได้น่ากลัวแค่ไหนหรือว่าอันตรายเพียงใดก็ตามค่ะหากจะคิดว่าพวกเขาเป็นครูเป็นอาจารย์ก็คงจะไม่ผิดเพราะผู้สาเร็จธรรมก็จะสาเร็จโดยพวกเขาเหล่านี้มีอยู่ส่วนมากนะคะ ผู้สแสวงธรรมท่านได้สละแล้วไม่ว่าจะเกิดขึ้นไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นท่านก็จะไม่หนีไม่สู้ด้วยอาวุธทางโลกท่านจะสู้ด้วยอาวุธทางธรรมนั่นก็คือการปล่อยวางแล้วก็เจริญภาวนาให้เกิดสมาธิแผ่เมตตาไปให้คืออาวุธสุดวิเศษที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านทรงสอนไว้ หลวงปู่แหวนสุจินโนแล้วก็เพื่อนสหธรรมิกของท่านคือหลวงปู่ตื้ออจาระธรรมโมค่ะเมื่อครั้งยังหนุ่มยังแน่นนะคะท่านทั้งสองมักจะเดินท่องเที่ยวธุ่งกรรมฐานไปด้วยกันทั้งๆ ท, ที่อุปนิสัยไปคนละอย่างโดยไม่น่าจะเดินทางไปด้วยกันได้หลวงปู่ตื้อท่านก็จะมีนิสัยใจคอผงผางชงฉ่างโลดโผนนะคะถึงนายถึงกันไม่หวั่นไหวต่อสิ่งใดในโลก ส่วนหลวงปู่แหวนค่ะท่านจะมีอุปนิสัยใจคอที่เยือกเย็นพูดน้อยแต่ว่าจริงจังนะคะไม่กลัวแต่ก็ไม่แสดงออกให้ใครรู้และหลวงปู่แหวนสุจินโนนะคะท่านก็จะชอบความเงียบแต่ว่าท่านทั้งสองก็เดินทางท่องเที่ยวทุดงกรรมฐ า, านด้วยกันได้หลายต่อหลายป่าเขานะคะผ่านร้อนผ่านหนาวด้วยกันมาหลายฤดูค่ะพูดถึงหลวงปู่ตื้อกับหลวงปู่แหวนนะคะเคยเจอผีวิญ ญ, ญาณ ร, ร่านราคะมาแล้วก็ผีตนนั้น มาเข้าสิงหลวงปู่แหวนหลวงปู่ตื้อก็จัดการตามความกล้าอย่างบ้าบิ่นค่ะไม่มีคาถาอาคมค่ะแต่ว่าหลวงปู่ตื้อก็อาศัยใจเข้าสู้ผีก็ผีค่ะต้องยอมแพ้ใจของหลวงปู่ตือ้อก็ท่านตื้อสมชื่อของท่านจริงๆนะคะคราวนี้ก็เช่นกันค่ะท่านทั้งสองเดินทางท่องเที่ยวทีดงไปด้วยกันไม่รู้ว่าวันๆท่านคุยกันกี่คา หากหลวงปู่ตือไม่ชวนคุยหรือว่าถามก่อนรับรองค่ะว่าวันหนึ่งไม่ต้องพูดกันแน่นอนก็หลวงปู่แหวนท่านพูดน้อยแบบถามคำก็ตอบคำแต่ว่าการเลือกสถานที่เจริญภาวนาท่านทั้งสองมีความเห็นเหมือนกันนี่แหละคือสิ่งที่ท่านทั้งสองไปด้วยกันได้ค่ะ ที่ได้เห็นว่ามีความเหมาะสมในการปักกลดเจริญภาวนาท่านก็จะเอออาตามกันแล้วก็แยกปักกลดตามความชอบแล้วก็ความเหมาะสมสำหรับตัวท่านเองหากว่าเจออะไรก็เจอด้วยกันจะพักเจริญภาวนากี่เพลลาไม่ว่ากันนะคะใครอยากจะเดินทางล่วงหน้าไปก่อนก็ไม่ว่าแล้วแต่ความพอใจของแต่ละคนค่ะเมื่อเห็นว่าจิตเริ่มมีความคุ้นเคยแล้วก็ชอบพอสถานที่ ที่ท่านอยู่นะคะท่านก็สมควรแก่เวลาที่จะต้องท่องเที่ยวทุดงกรรมฐานต่อไปโดยเหตุผลของพระปฏิบัติธรรมทั่วไปคือถ้ายึดติดสถานที่เสร็จแล้วก็จะเกิดกิเลสสะสมนะคะ ท่านถือว่ากิเลสเริ่มรุกเข้ามาเพื่อก่อกำเนิดเกิดขึ้นอย่างเข้มแข็งถ้าขืนอยู่ต่อไปก็จะกลายเป็นบ่อเพาะพันธกิเลสเดี๋ยวมันจะรุมเล่นงานโดยไม่รู้ตัวดังนั้นผู้สแสวงธรรมจึงทุดงกรรมฐ า, านไปอย่างไม่มีจุดหมายบางครั้งหากจะพักก็บางเวลาเท่านั้นคือเวลาเข้าพรรษาสาเดือนท่านจะไม่ออกไปไหนจเจริญภาวนาอยู่ในสถานที่เดิมจนกว่าจะออกพรรษานั่นเองค่ะ การเที่ยวทุ่งยุคนั้นนะคะไม่ว่าจะเป็นการเดินทางไปในทิศทางใดก็ตามซึ่งถนนหนทางจะเต็มไปด้วยพืชพันธุ์แล้วก็พญาต้นไม้ใหญ่ที่ยืนต้นสูงหลายคนโอบนะคะและก็ในป่าอีกเหมือนกันค่ะมันก็เต็มไปด้วยความลี้ลับที่เราไม่อาจจะมองเห็นด้วยตาเปล่าเรื่องราวหรือประสบการณ์ของหลวงปู่แหวนแล้วก็หลวงปู่ตือนะคะได้ะจญมา มันเป็นเรื่องราวที่น่าขนหัวลุกนะคะเกิดขึ้นท่ามกลางความมืดไร้ซึ่งเสียงร้องของสัตว์ป่าทั้งหลายทั้งปวงหรือแม้แต่เสียงของจิ้งหรีดสักตัวก็ไม่มีค่ะป่าอันกว้างใหญ่ไพศาลนั้นจึงเงียบแล้วก็วังเวงสเสลือเกินความเงียบของป่าก็ทำให้ใจหายใจคว่มได้เหมือนกันนะคะหากว่าเราเป็นคนธรรมดาก็ยิ่งสงสัยแล้วก็หวั่นไหวทานองคิดเอาเองนะคะว่ามันจะต้องมีอะไรในป่านี้แน่เลย ก่อนจะเข้าสู่กรารผจญภัยที่มากับความมืดของหลวงปู่แหวนแล้วก็สาหายธรรมของท่านนะคะก็คือหลวงปูต่ตื้อพูดตื้อสมชื่อค่ะเราควรมารู้จักกับที่มาของวิญญาณทรมานทั้งหลายพอให้ท่านได้เข้าใจนะคะกล่าวคือเมื่อคนเราได้เสียชีวิตลงค่ะจิตวิญญาณแล้วก็จะออกจากร่างกายทิ้งสังขารไปผุดไปเกิดตามแต่กรรมดีกรรมชั่วของตัวเองแล้วก็ความหนักความเบาที่ทํากรรมไว้ค่ะดังนั้นนะคะภพภูมิที่ไปเกิดจึงมีความแตกต่างกัน แต่กับอีกบางคนนะคะมีกรรมมาตัดรอนตายไปก่อนอายุขายจึงได้รับผลของกรรมดีแล้วก็กรรมชั่วยังไม่ได้พวกนี้จะไปเกิดเป็นสัมภเวสีหรือว่าเป็นผีเร่ร่อนวนเวียนไปมาไม่รู้ที่จะไปนะคะบางคนได้ไปเกิดเป็นเปรตอสุรกายได้รับความทุกข์ทรมานตามอัตภาพของตัวเองพวกนี้จะมีจิตที่กิเลสหนาลุ่มหลงมัวเมาในอกุศลมีเวทนาต่างๆรุมเร้าอยู่ทุกขณะจะหาความสุขไม่ได้เลยค่ะ วิญญาณเร่ร่อนพวกนี้แหละนะคะที่มาปรากฏตัวเป็นกายหยาบบนเส้นทางทุดงกรรมฐานของพระปฏิบัติการปรากฏตัวของพวกวิญญาณทรมานเหล่านี้ซึ่งส่วนมากนะคะแสดงตนเพื่อขอความช่วยเหลือด้วยถือว่าพระปฏิบัติกรรมฐานท่านนั้นเนี่ยเป็นผู้ที่มีบุญบารมีแล้วก็กระแสธรรมอันชุ่มเย็นหวังจะให้ท่านผู้มีกุศลบารมีได้ช่วยโปรดเมตตากรุณาแบ่งบุญแบ่งกุศลไปให้เพื่อจะได้หลุดพ้นจากโลกของอบายภูมิที่แสนทุกข์ทรมาน ที่กำลังผจนอยู่ค่ะหากพระธุดงกรรมฐานะองค์ใดนะคะใจไม่แข็งพอเจอร่างที่มาปรากฏอยู่เบื้องหน้าด้วยลักษณะหน้าเกลียดหน้ากลัวพร้อมกับส่งเสียงขู่ให้รีบออกไปจากถิ่นฐานของพวกมันหรือไม่ก็ยื่นมือยาวๆที่หยาบกระด้างทำท่าจะบีบคอพร้อมกับแลบลิ้นปลิ้นตาหลอกจนขาดสติกลัวกันช็อกตายก็มีไม่น้อยเหมือนกันมีคราวหนึ่งค่ะคุณผู้ฟงังหลวงปูแ่แห่นแล้วก็องค์หลวงปู่ตื้อเนี่ย ได้ท่องเที่ยวทุดงกรรมฐานข้ามไปยังประเทศลาวค่ะอันเป็นประเทศเพื่อนบ้านของเราแค่ข้ามแม่น้ำโคงไปอีกฝั่งนึงก็ถึงแล้วนะคะประเทศลาวซึ่งตอนนั้นยังไม่เป็นสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวค่ะยังเป็นประเทศลาวปกครองด้วยระบอบประชาธิปไตยเต็มรูปแบบทําให้ผู้คนทั้งสองฝั่งไทยลาวไปมาหาสู่กันอย่างสะดวกสบายโดยอิสระนะคะยิ่งเป็นพระสงฆ์องค์เน้นด้วยแล้วยิ่งไปง่ายมาง่ายแล้วก็ประชาชนชาวลาวทั้งประเทศก็เป็น ชาวพุทธนับถือพระพุทธเจ้าองค์เดียวกับคนไทยดังนั้นค่ะเมื่อเจอพระภิกษุสงฆ์อันเป็นตัวแทนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็อบอุ่นใจนะคะให้ความเคารพกราบไหว้ซึ่งถือว่าเป็นสิริมงคลอันสูงสุดค่ะพระสองฆ์องค์เนนทั้งไทยแล้วก็ลาวจึงไม่ลำบากในการขบฉัน หลวงปู่แหนกับหลวงปู่ตื้อนะคะท่านทั้งสองยังเป็นพระหนุ่มทั้งคู่ค่ะจิตใจแล้วก็ร่างกายยังกล้ากแกร่งท้าหานการข้ามไปฝั่งลาวคราวนั้นท่านทั้งสองได้ข้ามไปทางฝั่งสุวรรณอันเป็นเขตเมืองสําคัญอีกเมืองหนึ่งของประเทศลาวค่ะประเทศลาวมีประชากรไม่มากนักในยุคนั้นนะคะมีไม่ถึงล้านคนทําให้ป่าอุดมสมบูรณ์ไม่ว่าจะเป็นต้นไม้ใหญ่นะคะหลายคนโอบแล้วก็พืชพันธุ์เขียวฉุ่มขึ้นหนาแน่นนอกจากต้นไม้แล้วก็ยังมีสัตว์ป่า เป็นจำนวนมากที่อาศัยอยู่ในป่าหลายชนิดค่ะไม่ว่าจะเป็นเสือช้างเป้เก้งกวางนะคะเนื้อสายละมั่งสัตว์สีเท้าตัวเล็กๆก็จะมีพวกกระรอกกระแตอีเห็นกระต่ายป่าประมาณนี้นะคะการเดินธุดงกรรมาฐานไปตามป่าเขาส่วนมากค่ะจะไม่มีทางเดินของคนแต่ว่าจะมีทางเดินของสัตว์ใหญ่ๆอย่างเช่นช้างป่าแล้วก็พวกฝูงวัวกระทิงพวกวัวแดงพวกควยป่านะคะ ดังนั้นหลวงปู่แหวนแล้วก็หลวงปู่ตื้อค่ะไม่มีทางอื่นนอกจากจะเดินไปตามเส้นทางของขโขลงช้างป่าที่เดินจนป่าราบเรียบเป็นแนวยาวคือพวกขโขลงช้างป่ามันก็จะออกจากป่าใหญ่ไปหากินตามป่าโปร่งบ้างเป็นบางครั้ง การออกธุดงในป่าไม่ค่อยได้เจอบ้านคนนะคะทําให้ขาดแคลนอาหารขบชันที่เจอก็จะเป็นชาวป่าเขาที่ไม่ค่อยจะรู้จักพระธุดงค์กรรมฐานแต่ว่าพวกเขาก็มีจิตเป็นศรัทธาเมื่อเห็นพระอุ้มบาตรมายืนอยู่หน้าบ้านก็รู้นะคะในจิตสํานึกว่ามาขออาหารมาขอข้าวก็พากันลงมาใส่บาตรค่ะก็จะเป็นข้าวเหนียวแล้วก็อาหารตามมีตามเกิดเท่ากับเป็นการช่วยพระธุดงค์ให้ได้มีอาหารหล่อเลี้ยงสังขารให้ดํารง เพื่อปฏิบัติธรรมต่อไปค่ะพอหลวงพ่อเดินมาได้ระยะเวลาหนึ่งนะคะท่านทั้งสองตั้งใจจะข้ามเทือกเขาลูกหนึ่งแล้วก็ตรงนั้นก็จะมีหมู่บ้านเล็กๆไม่กี่หลังคาเรือนก่อนที่จะถึงเชิงเขาชาวบ้านในหมู่บ้านดังกล่าวได้เห็นพระภิกษุก็ดีอกดีใจนะคะ mm. ก็รู้ว่าท่านทั้งสองจะเดินทางไปยังเขาลูกนั้นคนในหมู่บ้านรีบทักทวงห้ามปรามค่ะ บอกว่าอย่าไปที่นั่นเลยมันอันตรายมีผีร้ายอาศัยอยู่แล้วก็มันดุร้ายมากผู้ใดก็ตามที่บางอาจเดินทางเข้าไปยี่ย่างถิ่นของมันเนี่ยก็จะถูกทําร้ายจนตายได้นะคะแม้กระทั่งวัวควายเป็ดไก่แล้วก็สัตว์อื่นๆที่เข้าไปที่นั่นเนี่ยเรียกว่ามัน มันเล่นงานหมดนะคะชาวบ้านในแถบถิ่นนั้นก็จึงคอยระวังไม่ให้สัตว์เลี้ยงของตนเข้าไปหากจะพูดถึงนะคะที่ตรงนั้นนี่เป็นเขตแดนต้องห้ามใครหน้าไหนก็อย่าขึ้นไปเด็ดขาดค่ะชาวบ้านที่นั่นต่างก็กลัวเป็นกันมากด้วยความหวังดีของชาวบ้านหลวงพ่อทั้งสองนะคะก็ขอบใจแต่ว่าหลวงปู่แหวนค่ะแล้วก็หลวงปู่ตื้อเนี่ยท่านก็ ไม่ได้ตั้งใจแล้วนะคะว่าท่านไม่เคยหวาดหวั่นพรั่นพรึงต่ออันตรายใดๆทั้งสิ้นค่ะเพียงแต่ท่านอธิบายให้ชาวบ้านทุกคนเข้าใจในเจตนาของท่านทั้งสองในการขึ้นไปบนเขาลูกนั้นหาใช่การอวดเก่งแล้วก็อวดกล้าหรือต้องการขึ้นไปเบียดเบียนผู้ใดผู้หนึ่งให้ได้รับความลำบากเดือดร้อน ท่านขึ้นไปก็เพื่อปฏิบัติธรรมกรรมฐานตามคำสั่งสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงเชื่อก่าว่าคงไม่มีอันตรายใดๆเพราะว่าท่านไปมาแล้วอย่างน้อยๆก็เพื่อชี้ทางพ้นทุกข์ให้กับพวกวิญญาณป่าเหล่านั้นจะได้ไม่ต้องลุ่มหลงมัวเมาอยู่กับกองกิเลสยอมทนทุกข์ทรมานนับร้อยนับพันปีแทนที่จะได้ไปหาที่เกิดในภพภูมิที่ดีกว่านั่นก็คือสุขติภูมินั่นเองจากนั้นหลวงปู่ทั้งสองนะคะก็ได้เดินทาง ทงเที่ยวทุดงกรรมาฐานขึ้นไปบนเขาลูกนั้นโดยเดินทางลัดลอะไต่เขาสูงขึ้นไปเรื่อยๆโดยท่านตั้งใจค่ะว่าจะเดินผ่านยอดเขาแล้วก็ลงสู่พื้นที่ราบอีกภาคหนึ่งในตอนเย็นเมื่อเดินขึ้นไปถึงยอดเขาแล้วภูมิประเทศไม่ค่อยอำนวยความสะดวกดังที่ได้คิดไว้เนื่องจากว่าไม่มีร่องรอยหรือว่าทางเดินของชาวบ้านแล้วก็สัตว์ป่าชนิดใดเลยค่ะ แสดงว่าผู้ที่อยู่ในละแวกนี้นไม่กล้าที่จะเดินทางขึ้นมาจริงๆหาได้เป็นการขู่แต่อย่างใดหลวงปู่ทั้งสองก็เลยต้องหาทางไปกันเองด้วยความยากลำบากแล้วก็เสียสล ะ, ะแล้วก็เสียเวลานะคะในการเดินทางที่ไม่เป็นไปตามคาดหวังไว้ในระหว่างทางนะคะมีลำห้วยขนาดใหญ่หลายแห่งมีน้ำไหลใสสะอาดจนแทบจะมองเห็นพื้นดินก็เลยทาให้คลายความวิตกกังวลว่าจะไม่มีน้าดื่มน้าใช้ลงได้ แต่ว่าสิ่งที่น่าแปลกใจของสองหลวงปู่นั่นก็คือบริเวณลําห้วยทุกแห่งไม่มีร่องรอยของสัตว์ป่าลงมาหากินน้ําเอาซะเลยและก็ยิ่งไปกว่านั้นค่ะป่าทั้งป่ายังดูสงัดเงียบวังเวงผิดสังเกตไม่มีแม้กระทั่งเสียงของนกหรือว่าเสียงของกระรอกกระแตแล้วก็สัตว์เล็กสัตว์น้อยซึ่งโดยปกติแล้วนะคะจะมีอยู่ทั่วไปในป่าที่อุดมสมบูรณ์มากเท่าใดสัตว์ป่าก็ยิ่งมากเท่านั้น แต่ว่าป่าดังกล่าวไม่มีสัตว์แม้แต่ตัวเดียวมาส่งเสียงแล้วก็กระโดดโลดเต้นอย่างสนุกสนานร่าเริงบนกิ่งไม้ให้เห็น ภาวะการเช่นนี้ค่ะมันผิดธรรมชาติวิสัยของป่าเขาทั่วไปเมื่อป่าทั้งป่ามีแต่ความสงัดเงียบแล้วก็วังเวงดุดกับป่าร้างที่สรพสรพสัตว์หนีหายไปหมดนะคะหลวงปู่ทั้งสองสัมผัสความผิดปกตินั้นพอๆกันแต่ก็มิได้เอ่ยปากกล่าวคําใดๆออกมาค่ะคงเดินดุ่มๆไปโดยสงบนะคะอาศัยเพียงดวงตะวันเป็นนาฬิกาบอกเวลาเท่านั้น หลวงปู่แหวนและก็หลวงปู่ตื้อนะคะได้เดินทางขึ้นมาบนเขาด้วยความยากลำบากเพราะว่าต้องแหวกป่าที่รกเอื้อยไปด้วยเถาวันตั้งแต่เช้าโดยแม้ท่านทั้งสองจะเหนื่อยแต่ก็ไม่เคยปรีปากพูดออกมาแม้แต่คำเดียวพระอาทิตย์ที่ยังคงให้แสงสว่างขณะนั้นก็เริ่มที่จะรับยอดไม้ลงไปทุกขณะหลวงปู่แหวนและก็สหายธรรมของท่าน เห็นว่าเวลาเหลือน้อยเต็มทีคงข้ามเขาไปไม่ทันแน่จึงได้หาที่เหมาะสมปักกลดเพื่อเจริญภาวนาตามที่เคยปฏิบัติมาค่ะเมื่อหาที่โล่งพอสมควรแก่รุกขมูลจึงได้แยกกันไปแขวนกลดซึ่งมีระยะห่างกันไม่ไกลนัก คืนนี้ถือว่าเป็นกรณีพิเศษนะคะเนื่องจากว่าท่านทั้งสองได้มีความรู้สึกแปลกๆ ก, กับบรรยากาศที่ไม่ชอบมาพากลรู้สึกจะหนักอึ้งตึงเครียดผิดธรรมชาติหลังจากปฏิบัติกิจที่เคยปฏิบัติมาทุกครั้งก็คือสวดมนต์ไหว้พระเป็นที่เรียบร้อยท่านทั้งสองก็เข้าที่เจริญภาวนาภายในกรดค่ะลมยามเย็นพัดมาเอื่อยๆทําให้อากาศค่อนข้างเย็นกว่าที่ราบมาก ขณะนั้นนะคะพระอาทิตย์ก็ได้รับขอบฟ้าไปแล้วอันถือว่าเป็นหน้าที่ของมันในแต่ละวันที่ต้องปฏิบัติไปตามกฎเกณฑ์ที่ธรรมชาติเป็นผู้กำหนดแม้แต่กับความมืดที่โรยตัวเข้ามาแทนที่ของแสงอาทิตย์นะคะเมื่อสักครู่ธรรมชาติอีกนั่นแหละค่ะ เป็นผู้บงการเมื่อถึงเวลาต้องทำหน้าที่จะบกพร่องไม่ได้ทำให้บนฟ้าแล้วก็ป่าในเขาแถบนั้นนะคะถูกครอบคลุมไปด้วยเงาสีดำทะมึนแห่งรัตติการตลอดเทือกเขาทิวสูงยามนั้นนะคะป่าดงไม้บนเขาที่เห็นความงดงามของมันเมื่อตอนกลางวันก็ถูกปิดบังจนมิดด้วยความมืดอย่างมิดชิดค่ะมันเงียบจนทาให้ขนหัวลุกเพราะว่ายัางไม่รู้นะคะว่าในกี่วินาทีข้างหน้า กำลังจะเดินทางมาถึงจะมีสิ่งใดเกิดขึ้นเสียงป่าที่เคยได้ยินทุกครั้งในสถานที่ที่นี่ไม่มีแม้แต่เสียงของจั ก, กจัน่นและก็เสียงร้องของมแมลงตอนกลางคืนยิ่งทำให้มีความแปลกใจหลวงปู่แหวนแล้วก็หลวงปู่ตือ่อขาต่างก็ถามตัวเองในความไม่ปกติที่กำลังได้รับอยู่ในเวลานั้นว่ามันคืออะไรและอะไรกาลังจะเกิดขึ้นเป็นคาถามที่ไม่มีใครหรือผู้ใดตอบได้ แม้จะภาวนาจิตให้เข้าสู่สมาธิเพื่อห น, นีความสับสนในใจที่เกิดขึ้นแต่ก็อดคิดสารวนไม่ได้นะคะท่านทั้งสองก็ยังคงคิดถึงคําเตือนของชาวบ้านตรงเชิงเขา ว, ว่าเขาลูกนี้อันตรายจากอสูรร้ายกลรก็ตามที่เดินทางขึ้นมาที่นี่จะต้องตายไม่เว้นแม้แต่สัตว์เลี้ยง เมื่อไม่อาจจะเรินภาวนาให้จิตสงบได้หลวงปู่แวนแล้วก็หลวงปู่ตือ้อมีความรู้สึกเหมือนได้นัดกันไว้ท่านเปิดม่านโกรดออกไปเดินจงกรมเพื่อเปลี่ยนอริยาบทบนลานหินหัวโลนที่มีบริเวณกว้างขวางพอสมควรค่ะโดยอาศัยเพียงแค่แสงเทียนที่ติดตัวมาพอมองเห็นทางอันสลัว ว, วอมแวม คืนนั้นเป็นคืนข้างแรมในช่วงหัวค่าจะมืดสนิทแต่ว่าพอดึกหน่อยก็จะมีแสงจันทร์เพียงครึ่งเสี้ยวทอแสงอ่อนๆเพื่อให้ได้อาศัยบ้างบนภูจึงไม่ถึงกับมืดสนิทนะคะถึงกระนั้นก็มีบรรยากาศเยือกเย็นผิดปกติธรรมชาติจนสัมผัสได้ทว่าภาวะแวดล้อมที่เกิดขึ้นภายนอกไม่ได้กระทบความสงบภายในใจของพระธุดงค์รรมฐานทั้งสองแต่ประการใด หลวงปู่แวนแล้วก็หลวงปู่ตื้อค่ะต่างก็เดินจงกรมโดยท่องพุทธโธไปเรื่อยๆโดยมีสติรู้ตัวเป็นผู้คอยดูแลกำกับทุกย่างก้าวฉับพลันทันใดนั้นเองก็มีเสียงกรีดร้องหหยหวนดังมาจากที่หนึ่งใดใดในป่าทึบนะคะเสียงร้องนั้นจะพรรณนาถึงความทุกข์ความทรมานอย่างสุดประมาณคล้าคล้ากับเสียงโกรธอันเกียวกรดที่ถูกเผารนด้วยไฟโทรศัพท์เสียงเกียวกาดดังใกล้เข้ามาเรื่อยๆค่ะ บางครั้งเสียงเปรี้ยวกราดลดลงเหลือแต่เสียงบ่นเงึมงๆถึงความทุกข์ยากลำบากขาดกระท่อนกระแทน่นแต่ว่าพอจับใจความได้ไม่นานเสียงนั้นก็หายเงียบไปหลวงปู่แวนแล้วก็หลวงปู่ตื้อท่านพอจะจับทางของมันออกค่ะท่านจึงไม่หวั่นไหวแล้วก็จเจริญภาวนาไปเรื่อยๆไม่สนกับเสียงบ่นเมื่อสักครู่จนเวลาผ่านไปนานพอสมควรเสียงแผดร้องเหมือนกาลังโกรธเต็มที่ก็ดังสถานป่ามาแต่ไกล หากแต่ว่าเป็นป่าที่อุดมสมบูรณ์ทั่วไปนะคะเสียงร้องกราดเกรี้ยนนั้นคงจะสะท้านสะเทือนไปทั้งป่าแม้แต่เสียงร้องของจิ้งหรีดแล้วก็เสียงป่าที่ดังระงมต้องสยบแล้วก็เงียบลงในฉับพลันอย่างไรก็ตามค่ะเสียงแผดร้องรคร่าครวนั้นเป็นสัญญาณอันตรายเตือนให้ผู้ที่บุกรุกเรียบหนีออกไปจากพื้นที่เสีย แต่ว่าสําหรับพระปฏิบัติอย่างหลวงปู่แหวนหลวงปู่ตื้อค่ะท่านหาได้วาดหวั่นไปตามเสียงเกลี้องกระดาดของมันไม่ท่านยังคงเดินจงกรมสํารวมจิตเป็นปกติท่านต่างก็มุ่งเน้นในการปฏิบัติธรรมไม่ให้อารมณ์แห่งความอ่อนไหวได้เข้ามาแทรกกระทบกระเทือนได้ง่ายจนเสียงโหยหวนสุดประหลาดนั้นได้จางหายไปดึกมากแล้วค่ะแต่การปฏิบัติธรรมของพระผู้ปฏิบัติธรรมกรรมฐานเวลาอันเงียบสงบนั้น ดึกยิ่งดึก ย, ยิ่งบางเพียนเพียนได้เร็วยิ่งขึ้นแล้วก็ยิ่งบำเพียนได้ง่ายขึ้นด้วยนะคะแต่ว่าในบัดนก็เกิดพายุถาถมเข้ามากระดานอย่างกระทันหันแล้วก็รุนแรงเสียงของต้นไม้ทั้งป่าหักโครมครามด้วยแรงลมอื้ออึงมันเป็นพายุหมุนขนาดใหญ่ทําลายทุกอย่างบนทางผ่านของมันอากาศเย็นเยือกเข้าถึงหัวใจกว่าเดิมจนรู้สึกหนาวเหน็บไปทั้งตัว พร้อมกันนั้นก็มีกลิ่นเหม็นเน่าอย่างร้ายกาดอบอวนไปทั่วบริเวณที่หลวงปู่แหวนและก็หลวงปู่ตื้อทําความเพียรอยู่กลิ่นเหม็นเน่าสะอิดสะเอียนรุนแรงแทบจะอ้วกออกมาทั่วบริเวณทางเดินจงกรมของหลวงปู่แหวนแล้วก็หลวงปู่ตือ้อจนท่านทั้งสองต้องหยุดเอาผ้าปิดจมูกชั่วขณะมันมาแล้วปรากฏตัวสิไม่ต้องสำแดงอะไรอีกแล้วพวกข้าไม่กลัวหรอก พวกข้ามาดีไม่ได้มารบกวนหรือยึดสถานที่แห่งนี้แต่ประการใดหลวงปู่ส่งกระแสจิตไปถึงผู้มาเยืนในรัติการเพียงแค่หลวงปู่ส่งกระแสจิตไปถึงมันไม่นานค่ะมันก็ปรากฏตัวยืนตรงานดำทมืนสูงใหญ่ผิดไปจากมนุษย์โดยทั่วไปมันมายืนอยู่ตรงกลางระหว่างกลดของหลวงปู่แวนแล้วก็หลวงปู่ตื้อ คืนนั้นแม้จะมองเห็นเลือนลางนะคะก็พอจะมองเห็นเขาที่งอกยาวออกมาบนหัวเหมือนเขาและก็แขนสองข้างที่ยาวลงเรียดดินนะคะดวงตาสองข้างมองไม่เห็นถนัดแต่ว่ารู้สึกว่ามันจะปูดโปนออกมาเกลือกกลิ้งมองหลวงปู่ทั้งสองที่ยืนห่างกันพอสมควรตลอดเวลาแน่นอนค่ะคุณผู้ฟังว่าสิ่งที่ปรากฏอยู่ตรงหน้ามันไม่ใช่สัตว์หรือสิ่งมีชีวิตหากแต่เป็นอมนุษย์อันเนื่องกับภพบภูมิอสุรากาย หลวงปู่แหวนได้เล่าให้สหธรรมิกรูปหนึ่งนะคะซึ่งมีความสนิทกับท่านถึงเหตุการณ์ตอนหนึ่งค่ะแบบสรุปว่าเมื่อเจออย่างนั้นเห็นอย่างนั้นก็ไม่ค่อยจะรู้สึกกลัวมันมากนักนี่มันเป็นเรื่องของจิตแต่ร่างกายสิขนลุกสู้หลวงปู่ตือ้อแล้วก็หลวงปู่แหวนต่างยืนสงบนิ่งอยู่บนลานเดินจงกรมตรงหน้าอสุรกายผู้มีอัตภาพหน้าผนลุกขนพองสยองกล้าวแล้วก็อยู่ท่ามกลางกลิ่นเหม็นบ้าเลือดนั่นมันกระจายคลุ้งอย่างดุนแรง ในเวลาต่อมาก็มีเสียงร้องโหยหวนปริเวทนาจากอมนุษย์ตนนั้นอีกคราวนะคะหลวงปู่แหวนแล้วก็หลวงปู่ตื้อมีความรู้สึกเดียวกันคือเสียงที่กรีดร้องโหยหวนนั้นเป็นเสียงของผู้หญิงที่กำลังตกอยู่ท่ามกลางความทุกข์ทรมานอย่างแสนสาหัสสุดจะประมาณได้นะคะแล้วก็ หลวงปู่เล่าว่าไม่น่าจะใช่เสียงขู่คำรามหรือว่าเกลี้ยวกราดมุ่งร้ายทําลายประการใดเมื่อท่านคิดได้ดังที่เจึงอ่าดังที่ท่านคิดนะคะก็เลยสำรวมจิตถามไปว่าท่านได้รับวิบากกรรมอยู่ในภูเขาลูกนี้นานเท่าไหร่แล้วอามนุษย์ก็เลยส่งกระแสจิต ต, ตอบกลับมาบอกว่าข้าสถิตวนเวียนอยู่บนเขาแห่งนี้มานานเป็นร้อยร้อ ย, อยปีแล้วหามีผู้ใดมาช่วยข้าได้ข้าทรมานเหลือเกิน หลวงปู่แหวนจึงในเทศนาธรรมสั้นๆให้เป็นกุศลกิริยาเพื่อให้อมนุษย์น้อมจิตเข้าสู่พระศสีรัตนตรัยดังนี้หลวงปู่แหวนบอกนะคะบอกว่าให้รู้รักษาศี่ทาคือการละเว้นอกุศลทั้งหลายทั้งปวงและนั่นก็คือไม่เบียดเบียนทำร้ายผู้อื่นให้ได้รับความเดือดร้อนแล้วก็หมั่นสร้างความดีให้เกิดกับตัวเองพร้อมกับสร้างความดีให้แก่สัตว์น้อยใหญ่ในป่าเขาวนี้อย่าทำร้ายพวกเขาเพื่อเขาจะได้มีความสุข กุศลเหล่านี้อาจจะทำให้หลุดพ้นจากวิบากกรรมในปัจจุบันได้เมื่อจบการเทศนาแล้วร่างดำทมึนสูงใหญ่ของอมนุษย์ตนนั้นก็อันตรฐานหายไปกับความสลัวเรือนรางของรัติการนั้นบรรยากาศที่ดูเคร่งเครียดเมื่อครู่ได้เข้าสู่สภาวะปกติหลวงปู่แวนแล้วก็หลวงปู่ตือ้อเมื่อเหตุการณ์ผ่านไปท่านก็เดินจงกรมพอประมาณก็กลับเข้าไปนั่งภาวนาภายในกรดตลอดคืนโดยไม่มีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นมาอีกเลย คุณผู้ฟังคะพอถึงรุ่งเช้านะคะท่านทั้งสองได้ส่งน้ำชำระกายให้สบายใจแล้วก็ทุดงกรรมฐานข้ามภูเขาลูกนั้นไปเข้าเขตสุวรรณเขตอีกฟากหนึ่งเพื่อทุดงหาที่สงัดเงียบเจริญภาวนาต่อไปดังที่ท่านได้ตั้งปณิธานไว้จนกระทั่งกำหนดกลับสู่แผ่นดินไทยในเวลาต่อมาและนี่คืออีกครั้งหนึ่งในการเห็นผีป่าของหลวงปู่แวนแล้วก็หลวงปู่ตือ้อเมื่อครั้งที่ท่านทั้งสองยังเป็นพระหนุ่ม ผู้ออกสแสวงหาความเงียบเพื่อเจริญภาวนาให้บรรลุธรรมชั้นสูงและในเวลาต่อมาท่านทั้งสองก็ปฏิบัติได้สำเร็จมักผลดังที่ท่านได้ตั้งปณิธานไว้ทุกอย่างค่ะ